ปัญหาที่สองถามพรรษาครั้งนั้นพระเจ้ามิรินได้ตัดถามอัฏฐปัญหาสืบไปว่าข้าแต่พระนาเคเสนพระผู้เป็นเจ้ามีพรรษาเท่าไรพระนาเคเสนตอบว่าอัตมภาพมีพรรษาด้วจิตพรรษาแล้วข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคําว่าจิตพรรษานั้น นับตัวพระผู้เป็นเจ้าด้วยหรือหรือว่านับแต่ปีเท่านั้นอุปมาเงาในแก้วน้ําก็ในข่าวนั้นเงาของพระเจ้ามิรินผู้ทรงประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงนั้นได้ปรากฏลงไปที่พระเตาแก้วอันเต็มไปด้วยน้ําทะนาเกษนได้เห็นแล้วจึงถามขึ้นว่า มหาพิพิษเป็นพระราชาหรือว่าเงาที่ปรากฏอยู่ในพระเต้าแก้วนี้เป็นพระราชาข้าแต่พระนเกสีลเงาไม่ใช่พระราชาโยมต่างหากเป็นพระราชาแต่เงาก็มีอยู่เพราะอาศัยโยมเงาที่มีขึ้นเพราะอาศัยพระองค์ชันใดการนับพรรษาว่าจิตเพราะอาศัยอัตมาก็มีขึ้นชันนั้น ขอถวายพระพรน่าอัศจรรย์พะระนาคเษนพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ปัญหาปฏิพาอนอวิจิตยิ่งถูกต้องดีแล้ว